ดูตามเอกสารหน้าที่สาสิบก้าที่ท่านกล่าวาไว้ในเรื่องของปรินิพานวิถีเนี่ ย, ยพอพูดถึงในเรื่องของปรินิพานวิถีเนี่ยก็ต้องพูดถึงในเรื่องของคำวิถีเหล่านี้เนีเป็นวิถีที่ท่านเหล่านั้นปรินิพานปรินิพานจิตนั่นเองในปรินิพานวิถีเนี่ยก็คือจุติจิตหรือ มรณาสันน a w ถีนั่นเองแต่มรณาสันนวิถีนั้นน่ยไปเกิดกับใครไปเกิดกับผ้าละหัน์ในบรรดาผ้าละหันนั้นน่ยนะท่านแยกเป็นสองประเภทจุติจิตของผ้าละหันท่านจึงกล่าวไว้ว่ามีสองชนิดชนิดที่เป็นสุกะวิปัสสะอรหันตาจุตินั้นประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคือชาลาพีอรหันตัดตาหรือจุติ พระอรหันต์ที่ได้ฌานสมาบัติแล้วก็ท่านเข้าฌานของท่านแล้วเนี่ยออกจากฌานก็เป็นปัจจัยให้จุติจิตของท่านเกิดขึ้นนั่นอีกประเภทหนึ่งลักษณะของปรินิพานวิถีนั้นท่านจึงแบ่งไว้เป็นสองประเภทในมรณาสันน a วิถีที่เป็นกลุ่มของอติวิภูตารมวิถีนะประเภทตาธาพะวังจุตินั้นหนึ่งวิถีใช่ แล้วก็ประเภทลงตถาธรรมนาแล้วก็ลงต่อด้วยจุตินั้นประเภทหนึ่งฉะนั้นในมราณาสันน a วิถีเนี่ยนะในมราณาสันน awi ถีเนี่ยก็เป็นวิถีที่อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าหากเป็นสุกาวิปสุกาวิปัสปส ก, า อ, อ า, ก า, าอรหันตัจุติก็แปลว่าพระอรหันต์ที่ท่านไม่ได้อะไร ไม่ได้ฌานสมาบัติท่านอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นวิถีของท่านที่เกิดขึ้นน่นะาอย่างดูเลยดูตรงไหนดูในปรินิพานวิถีทั้งสี่ประเภทเนี่ยประเภทที่ประเภทแรกให้สังเกตดูว่าเป็นอะไรลวังผวังใช่มตามลำดับแล้วก็ผวังขจรณะผวังคู่ประเชทธาตรงนั้นเป็นติเหตุกะ กามาพวังสี่ก็คือมหายบาคยานนะสัรปยุน์ใจิตสอันนี้บ่งบอกว่าพระอรหันต์นั้นท่านอยู่ในการมาภูมิใช่ไหมมนุษย์หรือในเทวภูมิเออถ้าพูดถึงอย่างนี้นะให้เข้าใจว่าในมนุษยภูมิในเทวภูมิทุกชั้นนี่มีพระอรหันต์หมดเลยนะให้ทําความเข้าใจอย่างนั้นเสียเราจะได้สบายใจสบายใจตรงที่ว่า อในเทวภูมินี้มีพระอรหันต์ท่านอยู่เนี่ยฉะนั้นพระอรหันต์นี่อยู่ใกล้ชิดเรามากโดยซ้ำไปแต่ด้วยการที่เราไม่มีอภิน ญ, ญาจิตที่จะไปอย่างรู้ว่าพระอรหันต์อันนี้ท่านนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรแค่นั้นเองแต่ท่านเหล่านั้นถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเพศชาลาพีอรหันต์นี่โอ้โหท่านจะรู้นะก็เหมือนกับที่ในพระสูตรที่ได้ยกมาเนี่ยที่ได้ยกมากล่าวเมื่อตอนเช้า ที่วิธีคิดของนางอมราใช่ไหมท่านคิดในลักษณะเอ๊ะทําไมจึงไม่ทําชั่วเพราะปกติใช่ไหมทำไมจึงไม่ทําชั่วเนี่ย ท, ท, ท่านตรึกถึงบอกว่าเอ๊ะที่รับเนะี่ยมันมีจริงไหมที่รับจริงๆมันมีหรือไม่เนียก็ท่านตรึกมันไม่มีที่รับที่จะทําเออจะทําบาปเพราะว่าคนที่หรืออย่างจิตเราแต่เราไปคิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะ เทวดาที่ยังรู้วาระจิตของเราก็มีบุคคลที่สามารถกําหนดจิตเราก็มีเขาก็จะสามารถรู้ได้ว่าจิตของเรานั้นเป็นมีราคาโทสะโมหะหรือคิดจะทำกรรมชั่วอะไรนะท่านในกลุ่มของบุคคลที่ตรึกมากไปกว่า น, นั้นก็คืออย่างว่า เ, าเทวดาที่ท่านมีอภิญญาท่านก็สามารถที่จะรู้วาระจิตของเราหรือพระลหันทั้งหลายหรือพระอริยะบุคคลทั้งหลายนี่ที่ท่านมีอภินยา ปริจิตตาวิชาหน้าิญญาเป็นต้นเนี่ยนะท่านรู้เลยะนะท่านก็รู้เลยว่าเออเนี่ยท่านบุนี่กําลังคิดชัว่วท่านละอายบาปอย่างั้นก็เลยไม่คิดไม่กล้าคิดบาปเมื่อไหร่น้อยจะตรึกได้ขนาดนั้นทัทีถ้าตรึกได้ขนาดนั้นโอ้ยบริสุทธิ์มากเป็นคนน่าเคารพน่ากล่าวว่ า, าจริงๆโอ้ยกลัวบาปไหมก็ตั้งในที่ลับเนี่ยเนะจริงๆมัน ม, มีที่ลับหรือไงไม่มีที่ลับเลยอืม เนี่ยถ้าตรึกลักษณะอย่างเงี้ยเราจะาก็จะเห็นฉะนั้นในวิถีเหล่านี้นะที่เป็นมโนแล้วก็ชาวนานี่เป็นการกิรย 9, ิยาชวนะเก้านะเก้าก็เป็นมหากริยาชาวนาแปดดวงแล้วก็หาสิตุปาทจิตอีกหนึ่งแต่ถ้ารับหน้านั้นสิบเอ็ดแสดงว่าในบรณาสในปรินิพานวิถีเนี่ยรับอารมณ์ไม่ดีแล้วปรินิพานก็มีเห็นไหมเพราะสิบเอดเนี่ย อุเบกขาสันติระนาอากุศลเนี่ยนะที่ไปทำที่ตถ า, ารมนะก็แสดงว่าท่านรับอารมณ์ไม่ดีแล้วปรินณิพาน์เลยอารมณ์ที่ดีบรรกลางอารมณ์ที่ดีอย่างยิ่งมีหมดเลยอารมณ์สามกลุ่มเลยแล้วก็การกิริยาของท่านนะติเหตุกาการ ม, มาปวังของนั้นก็มาทำที่จุติอันนี้เป็นอนุ ป, ปาทิเสสานิพานธ์แปลว่าท่านปรินิพาน์ ฉะนั้นในลักษณะของมรณาสันวิถีของสุกาวิปัสสกากอารหันต์ผู้อยู่ในกาเมสุกติภูมินเนี่ยเท่านั้นนะผวังต้นวิถีแล้วก็ผวังท้ายวิถีเนี่ยเป็นการติเห่ผวังอะนะหมายบากญานสามยุติจิตสี่อารมณ์ของผวังกจิตและจุดติจิตนั้นก็มีกรร ม, มอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์อย่างใดยอย่างหนึ่งอะ น, น ะ, ะที่ปฏิสนธิ ระวังกจิตและจุติจิตนั้นเออที่ที่เคยรับมาปฏิทนที่เคยรับมาจากจากไหนพบก่อนเนะในมรณาสันนาชาวนาเนี่ยมหกิยาแปดดวงแล้วก็มหกิยาชาวนาตามปกติเอาอะไรเป็นอารมณ์เอานามรูปซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตานะัทนแล้วเป็นอารมณ์เนอะ แตถาลามนาะมีอารมณ์เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้มันสามารถโยกหลักฐานประกอบได้ในปฐฐานท่านก็กล่าวไว้นี่เป็นอย่างนี้นี่นี่เป็นอย่างนี้เป็นอารมณ์ตามบาลีที่แสดงในสังหมามดิกาเนี่ยอาจารย์แลดีแต่งไว้มีอะไรนะสุกกวิปัสสกาณังปกติยาเป็นต้นจะบอกว่า ตามปกติพระขีนาสอบผู้ที่เป็นสุขาวิปัสสกะอันติเหตุกาชฉลณะท่านย่อมมีแต่นามโรคเท่านั้นที่ได้ปราถนาเท่านั้นเป็นอารมณ์อารมณ์ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกา ม, มาจรจึงจะเกิดแตทารมณ์ได้เพราะเป็นมรณาสันน a วิทีของพระละหันเมื่อจุติจิตแล้วจึงไม่มีปฏิสนธิต่อทีนี้วัตถุที่อาศัยของมรณาสันน a วิถีเป็นหาถยาวัตถุ ที่เกิดที่อุปาถ้าขนาดของจิตดวงที่สิบเจ็ดใช่ไหมที่นับถอยหลังขึ้นไปนับย้อนจากจุดติดจิตขึ้นไปและแตาธรรมณนะแล้วก็จุดติดจิตก็ควรเรียงตามลำดับของภาพวิถีตามลำดับที่เลี้ยงให้ดูเนี่ยเนี่ย อ, อถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกมรณาสันวิถีของพระรหันต์ประเภทสุขวิปัสสก์ไม่ได้ชานี่ใช่ไหมกลุดมเราบุคคลเราเนี้ย เออถ้ามาดูในกลุ่มของพระอรหันต์ที่ท่านอย่างนี้ไม่ใช่ในน้อยนะจำนวนมากนะในยกระดิษเนี่ยที่ท่านปริทิพานในลักษณะอย่างนี้เออถามว่าในขณะที่พระอรหันต์ท่านก่อนจะปริทิพานเนี่ยนะเนยก่อนที่จะท่านที่จะทําอนุปาทิเสสานิพานธาตุให้เกิดขึ้นเนะี่ยถามว่าตอนนั้นนะ่ะท่านมีความรู้สึกยังไงสลดนะ สลดใจสังเวชของท่านที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรนะปัญญาบวกโอตะปะที่มีกำลังนล mm hmm. มีปัญญาญาเป็นปัญญาที่บวกโอตะปะคือความสะดุ้งกลัวเนะี่ยมีกำลังในลักษณะไหนบอกว่าโอ๊ยท่านเบื่อนหน่ายทานตนดีใจนะท่านท่า น, ท, านท่านน้อมจิตที่ท่านจะปรินิพานที่ท่านจะนิพานเนี่ยนะ อย่างพวกเราไอ้คิดไงไม่ค่ยเห็นเมือไงยนีไยเห็นไหมคิดไงก็ไม่เห็นเนีว่าปฏิสนติจุติแล้วไม่ได้ปฏิสติที่ต่อเนี่ยคิดมัยจะสุกได้ยังไงว <c oughs> มองเห็นนะบอกโอ้มันเหมือนกับว่าหมดแล้วหมดเชื้อในการเกิดแล้วท่านไที่จริงถ้าพูดถึงโอ้โหพอกันทีหมหาภาราทั้งหลายเนี่ยเนี่ยไอ้ขันทภาระที่จะต้องมาแบกโอ้โหว่างั้นเนี่ถ้าไปดูในขันทวารวักเนี่ยไอ้ท่านบอกว่าไงรู้ไหมไท่านบอกว่า ขันห้าเป็นมหาภาระหนักจริงๆเลยมหาบริหารน่มหาวิการเนี่ยนะสรุปแล้วก็ลงโดยมหาวินาด้วยมันเป็นอย่างนั้นเป็นภาระลักษณะอย่างนี้ท่านปรงอะไรปรงภาระไหมปรงภาระเลยลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ที่ท่านในกลุ่มที่ว่าท่านท่านในในในสี่สี่วิถีเนี่ยทีนี้ประการต่อมาก็คือว่า เกี่ยวกในเรื่องของวิถีที่สองในวิถีที่สองสรุปแล้วตรงนี้ก็ได้ในในในเจ็ดภูมิเหมือนกันนะในวิถีที่สองก็เป็นกลุ่มของอะไรก่อนเนี่ยพวังมากหน่อยเป็นกลุ่มของในลักษณะว่าอันนี้เกิดหลายภูมิดีเนี่ยเท่ากันเท่ากันตรงนี้เป็นประเภทที่ชาวนะาแตถาผวังแล้วก็จุติในกลุ่มนี้จะเยอะหน่อย คือท่านใส่ผวังไว้มากอันนั้นเหตุผลของการมีผวังมากนั้นเหตุผลอยู่ตรงไหนมองเห็นไหมคับกรรมมชรูปยังไม่ดับนั่นเองกรรมัชรูปยังไม่ดับตรงนี้ก็เลยมีพวังมากมีผวังมากมองเห็นยช่ไหมตรงนี้เห็นนะนั่นในในวิถีที่มีผวังมากวิถีเพศที่สองเนี่ยว่าโดยบุคคลจนถึงวัตถุแล้วก็คงเหมือนกันใช่ไม ต่างกันแต่เพียงว่าวิถีมีพระวังกัจิตเกิดขั้นระหว่างตถารรมนะกับจุติจิ ต, ตนั้นเข้าในในเรื่องของคําว่าตถาพระวงังแล้วก็จุติจิตแล้วก็เข้าเป็นอนุปาที่เซ ส, สนิพานธาตุเหมือนเหมือนกันนั้นะในยากของการ อ, อธิบายขยายความหรือทําความเข้าใจนะั้นไม่ต่างนีๆไม่ต่างเลยนะอภิการต่อมามาดูวิถีประเภทที่สาในวิถีประเภทที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มของ ติเหตุกกบพระวัง13โอ้นี่มากเลยติเหตุกกาฬวัง13มาหายบากญยาณสัมบุญธิจิตเจโรบวิบาก5ห้าอาร่วบวิบาก4สการกริยาชาวะ9ก็เป็นไปตามภพภูมินะจุดติจิตก็ได้13ดวงอนุปาทิเสสนิพานธาตุบุคคลก็คืออรหันตบุคคลนั้นถูกต้องตามนั้นนะน ตรงนี้เป็นชวนะผวังแล้วก็จุดติจิตเกิดเลยในมรณาสันวิถีนี้ผวังหน้าวิถีแล้วก็ผวังจุดติเท้าวิถีเป็นติเหตุกาผวังสิบสามและจิตทั้งสิบสามประเภทตามที่ได้กล่าวมาแล้วตามตามรับอารมณ์ก็คือว่าต้องแยกประเภทกันนะกรรมมารมกรรมนิมิตหรือคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่ปฏิสนธิจิตของตนเองนั้นแหละจะเป็นผู้รับอารมณ์เหล่านั้นมา เพราก็ต้องต้องแยกใช่ไหมว่าแต่ละกลุ่มนะั้นะรับอารมณ์อะไรมาไม่เหมือนกันเนี่ยถ้ากลุ่มของมหายบากยานนะสามวิยุตเจิตสีก็กรรมมะอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่มรณาสันนาชเอหน้าับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ก็คือปฏิสนธิใช่ไหมปฏิสนธิในพบนี้ก็ไปรับอะไรรับกรรมมะอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารม์หรือคตินิมิตอารมณ์นั่นแหละ อันนั้นคือต่อมาก็มาเปลี่ยนจากปฏิสนธิเป็นผวังใช่ไหมเขาก็ต้องมีอารมณ์ตรงนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก, ก, ก็ยังพอได้ก็ยังได้ถ้ากจะมาถึงว่าที่ไม่ได้ฌานพระที่ไม่ได้ฌานไม่ใช่ใชคืออ๋อไม่เกี่ยว ถ้าหาบว่า่ทำไมใช้กาำปริยาโชนะกข้าวถ้าเกิดว่าพระหันที่อยู่ในรูปภูมิหรือรูปภูมิคือคือตรงนี้นะท่านในวิถีเนี่ยในวิถีเนี่ยท่านท่านใช้คําปัญหาอยู่ว่าเป็นพระรหันเนี่ยเป็นพระรหันเนี่ยเวลาไปไปไปอยู่เป็นพระอนาคาไปเป็นพระโสดาบันไปมองออกใช่ไหมได้ฌานแล้วเนี่ย ต่อไปท่านก็ไปเจริญวิปัสนาไม่น้อมจิตที่จะมมันเหมือนอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วหมายความว่าไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีสมใจปรารถนาแล้วก็ไม่ได้ต่อทุนอะไรมีไหมใช่ไหมก็เป็นได้อยู่ในสถานะว่าเออได้อยู่ในบริเวณนั้นแค่นั้นดิมีไม่ใช่น้อยนะในกลุ่มลักษณะอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าสมมุติเนี่ยถ้าท่านจะปรินิพานได้ด้วยชาวนะจิตของท่านอย่างเนี้ยทําไมจะไม่ไดใช่ไหมถามมันอยู่ที่ว่าท่านใช่ไหมมันอยู่ที่ตัวตัวไอ้มันอยู่ที่ท่านบ้านอาหารเหล่านั้นเนะี่ยท่านจะปรินิพานอย่างไรจะให้พิสดารหรือจะให้ธรรมดาเดีย๋ยวลืมว่ามันเป็นการกระทำท่านจะทํำยังไงได้อย่างยนะิงๆเนี่ยมันแปลว่ามีสมบัติมากมายแต่แปลว่าจะอยู่บ้านหลังไหนก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องปกติของท่านเปเราแปลกใจทันทีนะเพียงเราก็บอกดีที่สุดทําไมไม่เอาที่ดีที่สุดไม่ถือขนาดยู่เนี่ยปฏิสุทธิ์ที่อยู่ในรูปไม่มาบูรการคือบางท่านลองลองมาคิดลองมามาลองมาคิดดูที่บางทีเนี่ยถ้ายิ่งเจริญชาญมากๆอายุยิ่งยืนสมมติเงี้ยถามว่าจะน้อมเข้าทําไมอ่ะการเบื่อพบอย่างนั้นนะโดนด่วนปรินิพิพานไปเสียม่ดีกว่าใช่ไหม ถ้าการทำอิทธิบาทประธานสังขารฉันทัตฉันทิติบาทวิริยะที่บาทจิตติที่บาทแล้วก็วิมังสุที่บาทเนี่ยถามว่าอายุจะมีต้องมากมายใหญ่เลยใช่ไหมจช่เดี๋ยวจะไปพอถึงฌานสำนัตรวิถีเดี๋ยวไปเล่าเรื่องในมหาปรินิพานสูตรสลับบ้างเล็กน้อยดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงจึงปรินิพานก่อนกาหนดอายุขอย นเงื่อนไขตัวต่างๆตรงเนี้ยมีมี ม, มีไม่ใช่ไม่มีถ้าลองถ้าลองยินดีในฌานสมาบัติแต่ไม่ใช่ยินดีนะน้อมที่จะเข้าฌานเพื่อจะอยู่ต่อทําไมจะทําไม่ได้ระดับพระพุทธเจ้าทําได้อยู่แล้วแต่คําว่าปลงพระชนมายุทสังขาร น, นี่ก็ต้องเข้าใจปลงคือปลงนะึงอย่างเราถ้าบอกว่าทอดทุลาแล้วยังกลับมานั่นใหม่บอกว่าอฟอกันทีชีวิตของเราเนะี่ย ต่อไปต่างคนต่างไฟว่างนันไม่ไปไป ม, มาเดี๋ยวกลับมาติดกันอีกแล้วพอคุยกันเข้าใจว่ายังอยู่กันได้ว่ากันแต่เริ่มหวาดระแวงแล้วนะชีวิตเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งครั้งสองแล้วเนี่ยมงคลก็บอกอุ้ยร้าวแล้วร้าวแล้ว้าวแล้วเชื่อมไม่ติดเหมี่ยพยายามคิดอย่างแก้วอยู่เรื่อยแท้จริงอุ้มันจากกันมันมากเดี๋ยวมันก็นมาน้อมมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็น้อมไปจากกันก็อยู่งี้ชีวิตเป็นอย่งนี้ คิดเลมากมองเห็นไหมมันหมุนมันอยู่นั้นในลักษณะอย่างนี้ท่าน ท, านทีนี้ถามว่าวก้าวดวงไหมใช่เพราะว่ากิริยาเออไอเหตไอฮาซิตุพาท่านก็ใส่เข้าไว้ท่านก็ใส่เข้าไว้เออทีนี้ในในชาวนาจุติเนี่ยนะก็ก่อนในลักษณะ เป็นชาวนาธรรมดาไปเป็นกรรมชาวนาไปเพราะลจุติก็จุติด้วย13ดวงเหมือนกันในรูปพระวังห้าก็รับอะไรละกรรมมณิมิตรที่เกี่ยวกับบัญญัติใช่ไมมีกสินสิบอสุภาษิสโกฏาอาณาปน า, ป, นาปิยามนาเป็นต้นนั่นนะทุกขิตตั์สุขิตศาสตั์เว้นอะไรเว้นพวกมเมอ อ, อุเบขาออกไปนะ ตรงนั้นก็คืออารมณ์ยี่้าไปแต่ถ้าอารูปผวางสี่ก็รับกรรมมณิมิตที่เกี่ยวกับอะไรอารูป อ, อารูปกรรมฐานนั่นเองเป็นอารมณ์ใ น, นก็ณีอะไรถูกส่วนเช่าหน้าก็มีอารมณ์อะไรเนี่ยมีรูปนามนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยการตรึกในการลงโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะ น, น่ะท่านตรึกพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาแล้วท่านพิจารณาละอยู่แนั้นเนี่ยเป็นมหากริยาชาวนาเนะแต่ถ้าหากเป็นมหากริยาชาวนาเนี่ยท่าน ก, ก็เอารูปนามของท่านนี่ยแล้วมาพิจารณาโดยความเป็นอารมณ์เขยังสงสัยอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นมหากริยาแปมันมีสี่ที่เป็นยาน้ำที่เป็นแล้วทําไมเรามาใช้พิจารณาได้ได้ทําไมจะคืออย่างนี้ สติอ่ะรู้อา น, นิจจังทุกขังหน้าตาได้ไหมวิญญาณก็รู้อา น, นิจจังทุกขังหน้าตาได้ได้หมดและเนะ่ก็ต่ธาตุมณะยังรู้อา น, นิจจังทุกขังอน้าตาได้เลยแล้วอย่าไปคิดว่าจะรู้ยากนะอา น, นิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยใช่คืออย่างนี้อย่างพวกเราเนี่ยเอาดูอย่างพวกเราเนี่นะเวลาเจริญ เวลากําหนดด้วยความเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นอายตนาเป็นต้นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเห็นไหมอกุศลยังเห็นได้เลยได้เห็นแล้วมันไม่ล้าหรือเห็นแล้วมันมันยังไม่สามารถที่จะตัดฉันทราคะละกิเลสได้นี่มันก็วิญญาณเนี่ยนะจิตเนี่ยรู้อนิจจังได้นะจิตรู้อย่างวิญญาณรู้เนี่ยรู้อนิจจังรู้ทุกขังรู้อนัตตา แต่ต่างจากการรู้แบบปัญญารู้ถ้าปัญญาเข้าไปรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยแล้วก็ยังสามารถเห็นตามความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ด้วยใช่ไหมเพราะลักษณะของวิญญาณรู้สัญญารู้แล้วก็ปัญญารู้จะต่างกันถ้าสัญญารู้ก็เหมือนเด็กน้อยรู้เหรียญ น, น่ยก็สาบาเห็นเหรียญก็รู้ว่าเป็นเหรียญเป็นอะไรแค่นั้นแหละหรือเหมือนอะไรเดียว เหมือนคนป่าเนะียอย่างนั้นก็ได้เออถ้าหากวิญญาณรู้ก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับคนโตรู้จักเหรียญกระสาบคนที่อยู่ตามชาวไร่ชาวนาชนบทที่รู้ว่าเอาไปซื้อจ่ายอะไรกันนั่นน่ะว่าเป็นตังเป็นเงินแต่ถ้ารู้แบบปัญญารู้รู้แบบไหนรู้แบบว่าโอ้โหทำด้วยอะไรนี่ทาด้วยอันนี้ผสมเงินเท่าไหร่ผสมทองแดงเท่าไหร่อสมผสมทองเหลืองเท่าไหร่ใช่ไหม มีค่าอาคือดูละเอียดได้หมดชั้นใดก็คือว่าลักษณะของสัญญาเหมือนเด็กวิญญาณก็เหมือนชาวไร่ชาวน า, นารู้ปัญญาก็เหมือนเลยก็เหมือนกับคนที่ทํางานอยู่ในคลังเป็นคนที่ผลิตเหรียญทําเหรียญออกมาเลยลักษณะก็ต่างกันอย่างนี้ใช่ไหมสรุปแล้วคืออย่างนี้จิตธรรมดารู้ น, นี่จังทุกครั้งาตาได้แต่รู้แล้วยิ่งยึดเขาเยอะ แย่ไง yeah, okay. ไม่ใช่รู้โดยความว่าไม่เที่ยงแล้วเห็นโดยความเป็นโอนี้ทุกขจริงๆเนะี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วไหมปัญญาและโอตป่ากเกิดขึ้นมีกําลังเป็นอย่างแรงเนี่ยลักษณะนี้ปัญญาเนะเห็นแล้วโหสลดสังเวชใจน้อมที่จะออกจากบาปจเจริญบุญเลยถ้าถ้าเห็นอย่างเนี้ใช่แล้วแต่ถ้าเห็นอะนี่จังเห็นแล้วเฉยๆนี่ ให้สะกิดตนเองไว้เนอะนั่นผิดแล้วอันนี้จางบิดพลาดแล้วไม่ใช่ปัญญารู้แล้วเคยเป็นบ่อยใช่ไหมว่าคนนั้นก็ตายไอ้คนนี้ก็ตายก็ยกเฉยเฉยงั้นหม่เห็นมีอะไรเลยลองไปถามซาเบเลที่มันพูดได้ชัดดีกว่าเราอีกนะไม่เที่ยง <c oughs> อุ้ยเผามาเยอะแล้วท่านก็นะแต่ยังกินเหล้าอยู่เนี่ยซาเบเลอยังกินเหล้ามายาอยู่นะก็เห็นแล้วไม่ล ะ, ล, ะละอะไรได้เลยไม่ได้เจริญกุศลไม่ได้เกิดโอตปะอะไรขึ้นมาได้เลยนะย เห็นใช่ไหมช้ยยันเห็นเนี่ยเนี่ยคือคือลักษณะเห็นในนิจจังเห็นในนิจจังไม่ได้ละอะไรไม่ได้เจริญอะไรเลยอืมใช่โอ้ยหมอเห็นกันเยอะแยะเห็นในนิจจังทุกขังหน้าตาด้วยวิญญาณรู้เนี่ยเห็นกันเยอะแยะนั่นไม่ได้เห็นด้วยปัญญาจะไปพูดอย่างนี้เพียหาว่าเขาไม่มีปัญญากดเราอยู่จริงๆไม่ใช่ คือถ้าปัญญาในที่นี้หมายความว่าเขาไม่ได้เขาไม่ไ ด, เไได้เขาไม่ได้ละบาปเขาก็ยังเหมือนเดิ ม, มเหมนน ย, ยังเหมือนเดิมยังเครียดเหมือนเดิมยังกังวลเหมือนเดิมยังน้อมไปที่จะติดการมาคุณเหมือนเดิมก็แค่นั้นเนี่นะไม่มีอะไรต่อปร ะ, ประมาณต่อไปคืออะไรเนี่ยทีนี้เป็นในกลุ่มของมรณาสันวิถีเนะี่ยที่เป็นอะไรต่อไปเป็นฌานแล้วนะ ชาลาพีอรหันจติชาลาพีอรหันจติแล้วมที่สนี่เป็นีได้หรือไม่้อแลสองนี่เป็นีได้อันนี้เป็นวิธีธรรมดามเป็นปรินิพานวิธีธรรมดาเนะี่ยี่สี่ประเภทคำว่าธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ปรินิพานวิธีพิเศษ เพราะเป็นตัวตัวปริธิพาณฑ์ของท่า น, น, นในชาญลาพีอารหันจุดเตียแม้ในมรณาสันนวิถีของชาลาพีอารหันตบุคคลทั้งหลายก็มีสี่ใช่ไหมมีอะไรบ้างอะ่ะชาญสมนันตระวิถีปัจเจาเวกสมนันตระวิถี อภิญญาสมณ์ตรวิถีแล้วก็ชีวิตะสมณ์ตรวิถีใช่ไหมในลักษณะที่จะต้องศึกษากันต่อไปในฌานปัจจเวกหอในฌานสมณ์ตรวิถีเนี่ยเป็นวิถีเนี่ยนะเป็นจุติจิตที่เกิดต่อจากฌานชานะที่ดับลงแล้วจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดจุดติจิตใช่ไหมนั่นเป็นฌานสมณ์ตรวิถี ส่วนปัจจเวคขณะหรือปัจจเวกคณะสำรันตรวิถีนี่เป็นวิถีของชานลาภีบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์พิจารณาองค์ฌานหลังจากที่ได้ออกจากฌานแล้วก็เกิดจุติดจิตต่อจากอะไรต่อจากปัจจเวคขณะวิถีหรือปัจจเวคขณะชวนะชาวนาที่ไปพิจารณาหรือไปพิจารณาสิ่งที่ตนเองเข้าฌานมาเป็นต้นนั่นนะ ส่วนอภินยาสมรันตระวิถีเป็นวิถีวิถีนี้จุดติจิตเกิดหลังจากพลาดอาหารผู้ได้อภินยาเนีพออภินยาชนะหนึ่งขณะดับลงก็เกิดจุดติจิตต่อเลยทีเดียวลักษณะอย่างนั้นเป็นอะไรอภินยาสมรันตระวิถีดูดูต่อไปส่วนชีวิตตะสมรันตระวิถีพอได้บรรลุเป็นอาหารอารหัตผลได้ไม่นานเท่าไหร่ ช่วที่เกิดปั จ, จเจวะขณะวิถีแล้วก็เท่านั้นก็จุติดจิตเกิดเลยทีเดียวลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกชีวิตสํานัตราวิถีเออในวิถีทั้งสี่ประเภทเนี่ยนะก็ไปทําความเข้าใจว่าฌานสํานัทวิถีหมายถึงออกจากฌานแล้วจุติดจิตเกิดต่อทันทีปั จ, จเจวกคณาสํานันตราวิถีก็แปลว่าพิจารณาองค์ฌานหลังจากที่พิจารณาแล้วก็จุติดจิตเกิดต่อจาก ปัจเจเวกชาวนาทันทีอย่างเงี้ยนะอภิญญาสม น, นวิถีก็เป็นวิถีที่เกิดหลังจากที่ก็แปลว่าอภิญญาเกิดหนึ่งขนาดจิตแล้วจุติจิตเกิดต่อลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอภิญญาสมณตะวิถีเกิดต่อปุ๊บทันทีเลยนะส่วนในร า, ายละเอียดเดี๋ยวขยายอีกทีส่วนชีวิตสมณตระวิถีก็คือบรรลุบรรพราหันผลผ ล, ผลจิตเกิดไม่นานเนะี่ยเกิดไม่นานเลย แค่ปจัจเวะขนาดขึ้นมาพิจารณาเท่านั้นก็ปรินิพานจุติจิตเกิดเลยทีเดียวอย่างนี้นะต่างกันต่างกั น, ต, กนตรงที่ว่าเอา่อตรงนี้ขยายไว้นิดหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะไปขยายอีกทีหนึ่งก็คือว่าอย่างนี้อพอได้บรรลุแล้วหมดตายเลยอ่ะตายเลยคือว่า อยกตัวอย่างก็คือว่าในขณะที่ท่านได้บรรลุก็คือชีวิตของท่านก็หมดไปตอนนั้นแหละเพียงเพียงให้ให้อยู่ได้เพียงแค่ให้ปัจเจเวขณะเกิดขึ้นมาพิจารณามรควนนิพพานในขณะนั้นแล้วก็จุดติดจิตเกิดเลยเงลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นชีวิตสมานธรรมวิถีส่วนปัจเจเวกเนี่ยก็แปลว่าท่านไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือไม่ได้มีความตายอะไรมาใกล้ชิดอย่างนั้นท่านเป็นปกติของท่านธรรมดานี่แหละ ใช่ก็ท่านได้ฌานใช่ไหมพอหลังจากนั้นเบ็ดเสร็จแล้วท่านเข้าฌานออกจากฌานท่านไปพิจารณาองค์ฌานต่างกันเลยถ้าอย่างชีวิตสํานมนตรวิถีนี่ไม่ทันได้เข้าฌานอะไรเลยหวังงั้น อ, ไ ด, อ, อได้ก็ไปเลยแต่ไม่ใช่แบบนี้นะเช่นว่ า, อาพอบรรลุแล้วก็ไปแสวงหาผ้าอันนี้ไม่ใช่กลุ่มชีวิตสํานณทล่ะพอเดินไปเดินมาก็เกิดเกิดแค่แป๊บเดียวนิ่มช่วงนิ่เดียว คาปากเสือเลยว่างั้นเอาต่อไปขยายความฌานสํานัตรวิถีพระหานผู้ได้ฌานสมาบัติน่ะนะพระหานผู้ได้สมาบัติการได้สมาบัติของท่านเนี่ยนะใกล้ที่จะเข้าสู่ปรินิพานธาตุอันเป็นที่ระงับดับเสียซึ่งทุกทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะเข้าฌานสมาบัติเท่าที่ตนได้ไว้ถามว่าถ้าท่านได้ฌานระดับไหนอ่ะปฐมฌานทูเตียฌานตเติยฌานจะตุวท่าฌานใช่ไหมท่านก็จะเข้าในลักษณะ ตามแต่ลำดับฌานของท่านถ้าเราดูอย่างอายกตัว อ, อย่างเอาภาษารีบุตรใช่ไหมถ้าดูอย่างภาษารีบุตรนี่เป็นประเภทฌานสําร็จตะวิถีนะท่านเข้าฌานอย่างไรบอกงั้นนะภาษารีบุตรเนี่ยหลังจากที่กล่าวอําลาภิกษุสงฆ์ใช่ไหมมีพระจุนทะแล้วก็มีพระสัตว์ทวิหาริกจำนวน500ร้อกว่ารูปเป็นต้นเนี่ยนะ หลังจากที่ตอนนั้นภาษารีบุตรนี่เทศนาโปรดพระมารดาใช่ไหมเออไม่ใช่มารดาโปรดมารดาของตอนเองซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิโปรดได้บรรลุเป็นพระโสดาบันให้เป็นพระโสดาบันพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ให้มารดาออกจริงๆตอนนั้นภาษารีบุตรป่วยมากเลยนะป่วยมากนะมีเอ๊ะเทวดามาเทวดาต่างๆมาช่วยกันมาอุปถา พอเทวดาองนี้มาอุปถักอยู่องที่มีอำนาจใหญ่กว่ามาแล้วโอ้ยององศักดิ์น้อยต้องหนีไปตนนัเองมาท้าส ก, การนี่ไอเลือดอุจจ ร, ระปัสวะอะไรต่างๆที่ที่ในในกระถษในที่เก็บเนี่ยเอาทุนศีรษาออกมางี้นะไม่เอาทุนศรีรษาออกมางี้นะนี่เค ร, นะ <c oughs> รบจริงนะอย่างเงี้ยนะโอยดีใจมากถ้าอย่างเรากล้าไหมกล้าทาอย่างงี้ย มีทำไมไม่มีล่ก็ใช่เห็นไหมถ้าอย่างเราได้อุปถากรนั้นอุ้ยทำไงก็ยอมทำทุกหมทั้งหมดแหละใช่ไม่ใช่อุ้ยจะบุญสุกปันใดทําทําไมจึงทําทําไมทําไมจึงทําอย่างนั้นถามว่ามีใครมีโอกาสได้ทําอะ ตงบอกว่าถ้าได้น้อมทำอย่างนั้นนะโวเป็นบุญอย่างมากทุนเีย่ยเดียงระดับพระพุทธเจ้าป่วยนี่โอ้ยพรกษูสองแทบไม่ได้เข้าใกล้กันเลยเนนะเนะทวดาย้งบนิบัติ <c oughs> โอ้ยเนะเป็นเรื่องที่คนดีนะคนมีบุญทั้งหลายมีแต่คนอยากจะเปิดช่องให้แค่นั้นแนหะขอโอกาสขอโอกาสนะี่นะขอโอกาสนะนะนะมีแต่หนีคระ ได้มากนะน้องดูไอ้ท่านคนนี้สมควรหรือไม่ขนาดนั้นนะทาไมสมควรบอกให้ออกไปเนี้ยเราโอ้ยจะเข้าไกลได้หรือเปล่าน้อเนี่ยภาษารีบุตรเนี่ยนะลำดับนั้นหลังจากที่พระมันไอมารดาออกไปแล้วในภิกษุสงฆ์มาเรียกภิกษุสงฆ์มาประชุมกันแล้วก็กล่าวทำรรมีคาถามีความไม่ให้ประมาทสําหรับท่านที่ยังไม่ทําที่สุดแห่งวัตฏะกองทุกข์ก็ต้องรีบเร่งรีบในการที่จะ บอกวโอ้โหประเภทไหนประเภทที่ว่าอุจจาระแม้เหลืองนิดหน่อยก็เหม็นเนะวัดตาแม้เหลือเหลือแค่พบเดียวก็โอ้โหเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวนั่นมองขนาดนั้นเนี่ยขนาดอีกพบเดียวจะได้บรรลุแล้วอย่าเงี้ยทางท่านที่ท่านทําลายพบมาจนหมดสิ้นแล้วเหลือพบเดียวเนี่ยท่านบอกอ้อ ย, ย่าประมาทเลยเร่งเร่งเรียบนม่ง้เหลือพบเดียวก็น่ากลัวน่ากลัวมากเป็นพาละมากวิธีคิดของท่านนะ ท่านคิดกันอย่างนี้นะถ้าอย่างเราโอ้ยเหลือพบเดียวนี่จะขนาดไหนว่างี้ยนะไปที่ไหนแล้วยิ้มให้คนได้ทุกคนเนะี่ยไปเตือนมัวแต่สอนคนอื่นสนุกแล้วนะถามทําไมมัวแต่สอนคนอื่นโอ้ยข้าพเจ้าเหลือพบเดียวว่างี้ยถ้ารักษณะอย่างนี้จะประมาทในกลุ่มของคิดดอนนี่นะแต่พอได้จริงๆมันจะคิดอีกอย่างถ้าได้บรรลุจริงๆริงก็จะคิดอีกอย่างทีนี้ในด้านของฌานสำรันตระวิถีเนี่ยนะ เป็นประเภทไหนประเภทฌานออกจากฌานแล้วจุติเลยใช่ไ right? ออกจากฌานแล้วจุติจิตเกิดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานสำนัตระวิถีที่จริงฌานสำนัตระวิถีเนี่ยตรงนี้ก็เเาเขียนไว้เออเขียนไว้สองอย่างถูกต้องแล้วที่จริงมีสองอย่างนะมีฌานและผวังก็มีนะฌานและผวังแล้วก็จุติจิตก็มีแต่ในนี้ไม่เขียนก็ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นในนี้ไม่มีใช่ไหม จริงๆต้องมีทําไมจะไม่มีล่ะอดูอดูในวิถีนี้ผวังหน้าและผวังหลังนะเออโดยสรุปตรงนี้ก่อนนะฌานสมณตระวิถีจริงๆแล้วต้องแบ่งเป็นสองแต่ในที่นี้เอาไมา่ดูหนึ่งประเภทที่ฌานชาวนาผวังจุตินี่หนึ่งวิถีและอีกประเภทหนึงเป็นฌานชาวนะแล้วจุติะอะไรหนึ่งวิถีรวมเป็นเป็นสองวิถีนะตัวฌานสมณตะวิถีเนี่ยนะตรงนั้นน่ยเป็นการเพิ่มเติมใน ในโดยที่ทุกตัวการมชโรมีบันก็ในเมื่อเาฌานเกิดเรื่อยรืเลยกรมัชรออกาาทุกุที่กเกิดเนี่ยทำไมทไ ม, มเลยเกินจะกรรมัชรบมันไม่มีเกินหรอกถึงเข้าฌานได้ก็ไม่มีใครทำเกินกรรมัชรรปหรอกไม่มีใครเข้าฌานตะหนดเลยกรรมัชรูปดับน ะ, ะไม่มี มีทำไมไม่มีเลยที่ไม่ที่ไม่เข้าาจนต้อบแล้วก็ออกจากาแล้วก็ปิดเลยถามวก็ังสามารถเข้าะาได้รวก็คือจิตจิตนก็เยตัวเปลี่ยนหน้าที่ท<ำ>นั้นในฌานสำนันตรวิถีดังที่ได้กล่าวเขาไว้เนี่ยน ะ, ะจิตที่มาทำหน้าที่พวังหน้าและพวังหลังเป็นตีเหตุกะกวังสิบสามดวง ตีเหตุกข์กับผ ว, วางสิบสาดวงนะีจิตทั้ง13าประเภทเนี่ยการรับอารมณ์ใช่ไหมกรมม า, าร ม, ามมานิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ปฏิสังขที่จิตรับออกมาเป็นอารมณ์ส่วนมรณาสนาันนธาชาวนะฌานนี่นะรับพวกกสินเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์แต่อย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่กําลังจะยกตัวอย่างก็คือว่าเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านภาษาริบุตร เวลาภาษาริบบท่านเข้าฌานเนี่ยนะท่านหลังจากลากล่าวอําลาภิกษุที่เป็นสัตวิหาริกของท่านแล้วเนี่ยนะท่านก็เข้าลําดับฌานเลยเข้ายังไงเข้าปฐมวิฌานออกจากปฐมวฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าตัติยฌานออกจากตติยฌานเข้าเจตุตัฌานออกจากจตุตัฌานเข้าอรูปฌานที่หนึ่งสองสาสี่ห้าหหนึ่งามสี่เนี่ย เป็นแปดเนี่ยรียกฌานสมาบัติแที่จริงท่านเข้าแค่ไหนเข้าแค่เนวะเพราะเข้าเนวาสัญญาณนาะสัญญาญตนาสองขณะและท่านเข้านิโรธสมาบัติเลยนีย่นิโรธสมาบัตินี่อธิบายไปยังอธิบา ย, ลยแล้วแลื่ท่านเข้านิโรธสมาบัติเขาเรียกเข้าสัญญาเวทยิตันนิโรดเนี่ยเออให้สังเกตดูภาสารีบุตรเนี่ย ระดับฌานระดับอภิญญาระดับฌานของท่านเนี่ยแปลว่าท่านเข้าข่านเป็นรองอยู่ใครเนี่ยถ้าด้านอิทธิฤทธิ์เนี่ยท่านเป็นไอ้ท่านจริงๆท่านพอกันเน่ยแต่ถ้าพูดถึงในด้านของระดับเป็นรองไอ้ท่านเนี่ยจะน้อยกว่าพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองในบรรดาภาษาวกทั้งหมดไม่มีใครไม่มีใครเกินภาษาริบุตร์นะไม่มีใครเกินภาษาริบุตร์นะแต่จริงๆแล้วท่านท่านเด่นทางด้านปัญญา พราเพราะท่านสร้างบารมีมามากมากมากกว่าโมกขลานะได้ส๊อเบอร์ทีนี้ถ้ามาดูอย่างนี้ว่าที่ท่านเข้าฌานสมาบัติถามว่าเป็นรองพระพุทธเจ้าอยู่ในการเข้าฌานของท่านเนี่ยใช่ไหมเหมือนพรโมกขลานะก็ในลักษณะอย่างนั้นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยภาษารีบุตรเป็นเบื้องขวาเนี่ยนี่นเวลาท่านเข้าฌานแต่ละฌานอย่างยกตัวอย่างเข้าปฐมฌานเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าเข้าปฐมฌานเดียวนะ ปฐมฌานที่ท่านได้มาทั้งหมดท่านเข้าหมดเลยปฐมฌานที่มีสีเป็นอารมณ์ปฐมฌานที่มีเอสีดําสีขาวเลยทุกๆสีอะไรหลายสีที่ท่านปรึกและชํานาญเนี่ยนะหรือปฐมฌานที่มีดินมีน้ามีไฟมีลมเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอารมณ์นี่ท่านทําหมดเนยนะที่ปัจจัยฌานอะไรที่ว่าที่ท่านได้ทั้งหมดนะที่เป็นปัจจัยกับปฐมฌานนั้นท่านใช้เวลาเข้าไม่ใช่ น, น้อยเลยเนะี่ยนี่เป็นอย่างงี้ แต่ว่าน้อยกว่าพระพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าลรหมดเลยพระพุทธเจ้าเข้าฌาน ร, ระดับไหนระดับการเข้าฌานเนี่ยพอกับการเจตัดรู้เข้าฌานกําลังของฌานเนี่ยพอกันดีไหมต้องคิดดูคนที่อุปถากตอนที่ท่านจะนิพพานกันเนี่ยถามบุญจะเกิดมากขนาดไหนใช่ไหมใช่เพราะอุปถากแล้วเนี่ยแต่เป็นปัจจัยให้ท่านเอาข้าวไปถวายท่านได้นวดได้เฟ้นท่าน ทำให้ท่านได้มีสุขภาพเพื่อท่านเป็นปจัจจัยท่านเข้าฌานสมาบัติแล้วก็ น, นิพพานอือ ค, คิดดูทีว่าบุญจะขนาดนะพ อ, พอกัที่ให้ทานหรือว่าอุปถากท่านแล้วท่านเป็นปัจจัยให้ท่านได้บรรลุเป็นพ ร, รนะอรหันต์พอกันเลยนะแต่พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากลองนึกอย่า ง, างนี้นะถ้าสมมติเห็นพระท่านกำลังนั่นเราไปอุปการละโดยการที่ถวายจะตัปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะ มีข้าวมีน้ำมีอาหารเป็นต้นแล้วท่านได้อาหารมือ น, นั้นแล้วท่านได้บรรลุนั่งคิดดูอิสองก์ยังมากขนาดนั้นเลยผมก็ยสวห่งีว่าเคยศาเอไ้ปนาที่ีคนปฏิบัติสมิหที่แบบประมาณรนั้นจะมีใครกอ เราถ้าท่านเป็นพระที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยเป็นผู้ปฏิบัติที่สมบ <ata> ูรณ์ด้วยแต่เราไปตำหนิเนี่ยก็เรื่องกรรมทุกอย่างน่าครัวหมดถ้าเป็นอกุศลกรรมนะมันอยู่ที่ว่าท่านที่เราไปว่านั้นคุณธรรมท่านแค่ไหนอย่างไรถ้าท่านมีคุณธรรมจริงๆแล้วท่านเป็นน้อมเราไปน้อมในการตำหนิท่านว่าท่านุ้ยท่านหลาคนตาบอดไม่กลัวผีตาบอดไม่กลัวผี จอมสรีเข้าใจดีนะคานี้เลยตาบอดไม่กลัวผีวิจารณได้ทุกเรื่องอ่ะวิจารณไปวิจารณ์มาทำให้ตนเองเข้าถึงทุกเหมือนฉลาดเลยนะยโอ้ยกล่ า, าก็ตั้งทาวิจาร์กันเลยปัจจุบันเนี่ย น, น, นิยมกันจริงๆในเรื่องการเอามาวิจารณ์เนี่ยอออืถกถ้าเป็นไม่มีดิบมีดีแล้วลองคิดดูเดี๋ยวไปถกคนดีมอก็ใช่ไงมีปากก็เที่ยว ก็เหมือนบอกยอมพ่อบอกยอมพ่อแต่ก่อนมีปากก็ไปภาวนาทําบาปมาเยอะแล้วที่บอกโอ้ยไปไล่ควายแต่ก่อนเอาควายมาเข้าไถมาเข้าแอกเข้าไถใช่ไหมตอนเองก็คอยตีคอยไลย่เดินอยู่ตลอดเนี้ยดูดยเจตนาที่จะให้งานเสร็จให้ทําให้ตัวเองได้เยอะๆอะไรต่างๆโกรธบ้างอะไรบ้างเราคิดดูเราปากทําบาปปุ้บหยมากแล้วเวลาไปในคลองก็ใช้้ปากทําบาปเดือบาปอีกแล้ว อยู่ปากหย่อนเบ็ดลงไปให้ปามากินวมือทํายังไม่พอเนาะปากเรียกเองนะบอกโอ้ยตอนเนี้ยมากล่าวก็ทำให้ ม, มากๆเธอไอ้ปากเนี่ยมันเคยทําบาปมาเยอะแล้วน้องพริกเธอนาการใช่ไหมบางทีเนี่ยโอ้โหถ้าคนมีปากเอาไว้ร้องเพลงลองคิดดูทีร้องเพลงคางเพลงคําเพลงอะงเงี้ยนะลองคิดดูแล้อ้ยหรือบาปแค่ไหนนะคนเขาไม่รู้ว่าเป็นบาป <c oughs> เขาเขาไม่รู้เราก็วัวน แล้ววันวันวันใดวันหนึ่งถ้าเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ร้องโวยหวนอยู่นั่นแหละร้องโหยหวนใช่ไบางทีก็อุ้ยนกนี่ลองพรอมมาก็ เ, าเคยทําปากไอ้กลุ่มที่รุนแรงหน่อยก็ดนเอาขวานฟันปากเลยรแบนี้โอ้ยจะฟันปากตบตุ บ, บอยู่นั่นแหละ ก, ก็นึกตรงนี้แหละเราจะเอาขวานหรือเราจะเอาประเภทไปนั่งร้องให้คน อยู่ดีก็เนี่ยจะทําให้ตนเองเดือดร้อนปรินิพานวิถีฌานสมณตรวิถีต่อนี่ในฌานสมณตรวิถีเนี่ยเอ่อทำความเข้าใจอย่างนี้ในปรินิพานวิถีพิเศษในนังที่ได้กล่าวในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการเข้าฌานอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นภาษารีบุตรหลังจากที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติต่อมาท่านถอยออกเขียนนิโรธสมาบัต พอถอยออกมาแล้วก็มาเข้าอารมประชานเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะออกจากเนวะเข้าอากินจัญญายาตนะออกจากอากินเข้าวิญญาณัญญายาตนะออกจากวิญญาณัญญาแล้เข้าอากาสานัญญายาตนะแล้วก็เข้าจตุทัชฌานตติยฌานทุติยฌาน แล้วก็เข้าทุเดียฌานออกจากเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทุเดยฌานเนี่ยออกจากทุเดยฌานเข้าตัดิยฌานออกจากตัิยฌานเข้าเจตุทะฌานเพราะออกจากจตุทะฌานแล้วนี่ยนี่ยผลิติภัณฑ์เกิดทันทีจุติจิตเกิดต่ออย่างนี้เขาเรียกเป็นฌานสำนัตรวิถีอย่างเงี้ยพอฌานดับลงปุ๊บก็จุติจิตเตอฌานดับลงและจุติจิตเกิดเลยนี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า เป็นฌานสำนานตระวิถีแผ่นดินไหวนะพอจุติจิตเกิดตุบเนี่ยปุ๊บเนี่ยแผ่นดินไหวนะ้นในกลุ่มพวกนี้สถทานสะเทือนหมดนะแต่น้อยกว่าพุทธเจ้าเนคือละงมเลยนะถ้าบอกว่านิพพานแล้วแค่นั้นนะโอ้แต่เสียงของปุดชุชรปโสดาสกาทาที่พระเศขาบุคลทั้งหลายที่ยังละกิเลสไม่ได้เนี่ยโอ้โถมนักัน ลังคมนี่เป็นไงยิ่งวันที่พระเจ้าปรินิพานได้แล้วนะ่ยโ้ยถ้าไปเอาหมาปรินิพานสูตรมากล่าวดินะขนาดก่าวในที่อย่างเนี้ถ้ากล่าวตามพระธรรมของพทะเจ้าจริงๆนะไม่มีที่จะไม่ไมนั่งน้ําตาไหลถ้ายิ่งไปกล่าวตรงที่ปรินิพานของพุทธเจ้าจริงๆและลองลองดูดิกล่าวไล่ตามลําดับดูโอ้ไม่ไหวเลยนะ ละงอมคนกล่าวก็จะร้องคนฟังก็จะร้องเทอมนต์เกิดนะแล้วให้สังเกตใช่ไหมเวลาไปตรงที่ปริณิพานของพระพุทธเจ้าความรู้สึกว่าความรู้สึกที่จะร้องให้จะเกิดขึ้นอย่างไรดูกไหมเหมือนว่าพระพุทธเจ้าพึ่งปริณิพานแล้วเราไปไม่ทันเนี่ยไอ้ความรู้สึกนี้เกิดไปสองครั้งก็เกิดสองครั้งเกิดอย่างนั้นจริงๆดูจากพระพักดูจาก ที่นอนปณินธานเนี่ยในเตียงมบนโตเตียงปริธานนั้นเห็นยังไงก็เหมือนอพึ่งปณิธานแล้วบอกโอ้ยเรานี่ช้าจริงๆเนะมาไม่ทันงันเนี่ยมันลักษณะนั้นแล้วก็จะตรึกถึงตนเองแล้วโอ้โหเหนื่อยเลยว่าแล้วเราจะต้องทรมานไปขนาดไหนวัตตาจะต้องขยายไปแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราคิดเลยตรเนี้ยชีวิตที่ขาดพระพุทธเจ้าเออ ที่ไม่ได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธเจ้าจริงๆแตวมีเพียงพระพุทธเจ้าตรัสเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำและวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราหลังปรินิพานไปแห่งเราเนี่ยบอกจะเป็นศาสดาหลังการปรินิพานของเราคือพระพุทธเจ้าปรินิพานก็คือทำวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาวอนั้นเลยนี่นั้นคำสอนทุกคําสอนเนี่ยทุกประโยชนที่เราเรียนกันเนี่ยคือพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์หนึ่ง เราได้อย่างนี้แต่ยุคนี้อะมานาถาไม่อ่านอ่านแต่ลตัวแล้วทำความเข้าใจไปเนี่ยยากไม่ยนตริยากเพราะเร า, ายุค อ, อนาถายุคพวกเราเนี่ยเข้าใจที่ยุคนั่นแหละเพราะเรามันเกิดไม่ไม่ไม่ได้ไปนั่งคุณนะสมบัติไม่พอให้สังเกต ด, ดูเราเราสวดม น, นจะใช้คำอะไรนะ ทุกตาปนนากาลภูเตปฏิคันห้าตูนขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสกาละของคนยากทั้งหลายเหล่านี้เรามันคนยากจริงๆเนี่ยเราเนี่ยมันคนยากเรามันคนอนาถาอาเเรามันคนจนเราไม่มีอรียทรัพย์คือมรรคผลนิพพานเลยเนี่ยมันมันต้องเนี่ยมันเหมือนอย่างนั้นดิมันไม่ใช่เหมือนมันใช่อ่ะใช่นั่นแหละท่าน ไม่ใช่<ด>พอโลกุตระ <ใน S 1> ทำตรงนี้คิดยังไงเหมาะสมไหมตอนนี้คิดว่าเหมาะสมไ ห, เหนนมเรามันยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียสั์รนะเรายังเป็นผู้ยากจน จนจริงๆเนะี่ยไม่รู้จะจนยังไงเลยเนี่ยคนยากทั้งหลายเหล่านี้มองหน้าพระพุทธเจ้านี่จะแงนมองาศาสดาองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่หรืออีกันี่ไม่รู้จะไปมองใครอีกก็รู้เคารพใครอีกก็ไม่รู้ในวัดตาข้างหน้านี่ลองคิดดูที่จะต้องไปสับสงบเคารพใครอีกก็ไม่รู้ใช่ไม่ใช่งเพราะกิเลสมันยังมีขนาดนี้มดีก็เลยหลงอีกแล้ว น่ากลัวดังนั้นในขณะที่จุดติดจิตยังไม่เกิดเนี่ยรีบเสียรีบพ่อคูนเจริญสมาทิฏฐิให้มากนะถ้าอย่างนั้นเราไปเนี่ยท่านคนนี้ไม่ใช่อง์สุดท้ายของเราเราจะมีโอกาสนับถือพุทธเจ้าก็คือก่อนจุดติดจิตจะเกิดเท่านั้นนะพอหลังจากจุดติดจิตเกิดแล้วโอ้โหเอาละสิทีนี้คนละเรื่องเลยเลยไม่รู้จะไปกันตรงไหนอะไงเนี้ยมองเอาใช่ไหมเนีย่ยถ้ามองเห็นตรงนี้เสก็จก็ถึงจะได้ เทียนพยายามอย่างยิ่งเลยดูดูภาพวิถีองค์ฌานภาพวิถีองค์ฌานเนี่ยท่านใช้คำว่ามโนปริกรรมใช่ไมปริกรรมอุปจาระนุลมโคตรภูนี่เป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตส่วนมหาคตากิริยาจิตนั้นก้าเลย ส, สรุปแล้วก้าเลยไหมทุกฌานเนี่ยออกจากปฐมฌานจุติจิตเกิดก็ได้อันที่ที่พูดภาษาริบุตรมาให ดูนั้นเพราะว่าอันนั้นหมายถึงปริพาน์จิตของอาราาัก อ, อาราหัสสาวกเอออันนั้นต่สาวกเบื้องขวาแต่ไม่ได้เอาแต่พระพุทธเจ้าก็นในทํานองคล้ายๆนี้แหละแต่ไม่ได้กล่าวเขาวไวถ้าจะกล่าวก็กลัวเป็นเรื่องยาวก็เลยขยับออกแต่ถ้าหากว่าจะบรรยายในเรื่องของเอปริพานธ์สูตรก็คงจะต้องเอาพระพุทธเจา้าแล้วมากล่าวตามลําดับยกชานนี้แหละเอ้เงี้ยเนี่ยชานลักษณะอย่างคือ นี่มหามหากติกริยาจิตเนี่ยนะปฐมมะชานทุเดยชานตัิยชานจตุทะชานปัญจมะชานนะนี่นะแล้วก็อารมุปชานอีกสี่รวมเป็นเก้าพอดีเลยนี่ท่านในชานทุกชานนั้นออกจากชานแล้วจุดติดจิตเกิดได้หมดเลยอันนี้เป็นกลุ่มการกล่าวในเรื่องของสาธารณะโดยทั่วไปเลยนะของกลุ่มของบุคคลที่ได้ชาน ไม่ได้หมายถึงว่าต้องผู้ที่เ้าอย่างผู้ที่ได้เั็นสมบูชานแต่ว่าเมื่อเข้าผสมชาแล้วออกแล้วก็อยู่ติดติดเกิดที่รผสมชาอา่าท่านเ <มา S 2> จตนาแค่ไหนก็เอามาหาคติยาที่ที่ออ ก, ากชาใช่ใช่คืออยู่ที่ว่าท่านจะเข้าชาชนไหนก็เหมือนกับที่ว่าเหมือนอย่างภาษารีบุตรเหมือนกับพระพุท ธ, ธเจ้าเนี่ยใช่ไหมได้ยันนโรประชันแต่ออกแค่จะตุทะชาแล้ว จุดติจิตเกิดเงนินลักษณะอย่างเงี้ยเออมาอยู่ที่ท่านอยู่ที่ท่านจะมาน้าสิ ก, การเข้าฌานอะไรเพื่อเป็นปัจจัยแกจุดติดจิ ต, จตคือคืออยู่ตรงที่ว่าท่านจะรับอะไรเป็นอารมณ์เนงะีนยใช่อยู่ที่ว่าในขนาดนั้นเนะ่เพราะฌานทุกฌานมีก็มีอารมณ์ต่างกันอยู่แล้วเนี่ยมีอารมณ์ต่างกันอยู่แล้ว ทำไมมาเข้าชา้นต่ำๆก็เหมือนอย่างงี้เราจะไปบอกว่าท่านต่ำหรือสูงเลยลักเอาอย่างงี้เนี่ยเหมือนกับบอกว่าในบ้านเนี่ยมีอาหารอยู่มากมายหลายชนิดกินอาหารนั้นแล้วก็จะต้องจากบ้านนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลือกใช่ไหมมันก็จะต้องเลือกว่าจะกินอาหารอะไรเพื่อจะเป็นปัจจัยการเดินทางอันนี้ก็ยังต่างกันเลยมันก็อยู่ที่ท่านจะชอบหรือจะมนสิการตรงนั้น หรือจะคิดตรงนั้นว่าจะทำยังไงหรืออย่างประตูเนี่ยมีประตูออกก้าวประตูเงี้ยถามว่ามันอยู่ที่แต่จะมานาสิการแค่แปลว่ามันออกได้ทุกประตูอะเ ค, เคยเข้าประตูนี้อยู่ไม่ออกประตูนี้าออกประตูนู้นเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมประตูหรืออะไรต่างๆเนี่ยมัน ร, รอบยางเนี้ ย, งงงงยได้ทั้งหมดท่านได้ทั้งหมดท่านป ร, ริพานท่านไม่เป็นอะไรแล้วนี่ได้ทั้งหมด ถึงบอกว่ามันจะมันอยู่ตรงมันถ้ามีบ้านสักเก้าหลังเนี่ย น, น, นะถามว่ า, า, า, าได้ชาและฉันยังเอากามหรือยาชนนัได้เลยสิสิลิทิภัณฑ์ที่สมด้ถึงบอ ก, บอก ม, มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติเลยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเอาถ้าเวลาจะตายเนี่ยมีบ้านเก้าหลังเนี่ยจำเป็นไหมต้องตายในบ้านหลังหลังที่จน ท, ที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่จําเป็นเนี่ยไม่จําเป็น เพอเนี่นอยอ๋อสูงสุดก็ต้องเอาสูงสุดเข้าไว้อ๋อไม่ไม่คือคือคือการปรินิพพานนี่เป็นเรื่องของว่าการไม่ชะล وب ของท่านจะดับเมื่อไหร่ อยู่ตรงนั้นแต่จะไม่ทเปราใปฐมฌานก็ได้เออใช่ทิฏฌานสำนันตระก็ต้องอยู่ในฌานนั่นเลยบนเบียดอยู่ในฌานนั่นเลยฌานต้องเป็นปัจจัยแกจุติฌานต้องเป็นปัจจัยแกจุติมไม่นก็มคือฌ า, า, า, า, านสมานตระใช่่ไปเข้าไปฌานที่าว่าฌานสานตระแปลว่าเพื่อฌานดับแล้วจุติจิตเกิดต่อทายเป็นปิินวิถีธรรมดาืเวคื อ, ค, อคือถ้าหากว่า อย่าให้อย่าให้เกิดมากใช่ไหมถ้าสมมุติออกจากฌานแล้วยังจุติจิตไม่เกิดวิถีจิตยังปริมาณมากมันจะกลายเป็นวิถีอื่นมาแทรกแล้วยังไงถ้าเป็นผวังในที่นี้ท่านถึงใส่ผวังเข้าไว้หนึ่งขนาบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็แปลว่ายังไม่มีชาวนะอะไรมาที่จะมาปัจเจกมาอะไรต่างๆเลยแปลว่ารอระยะเวลาแห่งกรรมไม่ช่รูปดับปัจจุติทันทีเลยไม่มีชาวนาขึ้นเนะ่ะถ้ามีชาวนะขึ้นมาแล้วไม่ใช่ฌานสำนัลตราแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ย ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยเชาวนาจิตอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วจุติจิตต้องเกิดต่อเท่านั้นเป็นฌานสัมปันธะไปท่านให้เหตุผลลักษณะตามตามเหตุผลต้องเป็นไปในลักษณะเช่นนั้นนะนั่นส่วนบอกว่าเอ๊ะทําไมต้องหลังนั้นหลังนี้ก็ เ, เรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะว่าเออวิธีมนสิกานี้แต่ละท่านก็ต่างกันออกไปใช่ไหม เหตุผลของแต่ละบทท่านแล้วจะเป็นเหตุผลของปัญญาเหตุผลของสติสมประชัญญาทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าท่านน่ยจะทําอย่างไรอัตยาสายคุ้นเคยอะไร เ, เออดูตรงนั้นถ้าอัตยาสายคุ้นเคยกับปฐมฌานมากท่านก็อาจจะน้อมเข้าปฐมฌานแล้วปริทิพานเลยเงี้ยก็ได้เนี่ยใช่ไหมเพราะการคุ้นเคยเนี่ยมันต่างกันจริงๆนะหรือบางทีท่านอาจจะไม่เข้าในฌานที่คุ้นเคยก็ได้ใช่ไหม หลายคนที่มีบ้านหลายๆหลังเนี่ยตายไม่ใช่หลังหลังที่ตอนเองคุ้นเคยก็เยอะรอั่ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็ไว้จะมา แล้วไปเป็นพ า, ารหันที่ท่านได้ฌานพิญญาเนี่ยตรึกมีอติตังสยานระลึกปุ๊บเนี่ยโอ้ก็ได้รับปากพูดเข้าไว้กับท่านคนนี้ต้องฝึกหาวิธีพยายามจะมีดงจิตไหนที่จะต้องตามไปบอกวันนี้พอไปพอพอพ อ, พอไปตรึกตรึกลักษณะอย่างนั้นโอ้ยพารามากอย่างพวกรับปากไปบางทีเหนื่อยอ่ะเนะบางทีอยู่ไกลแสนไกลก็ต้องหอบสังขารไปโลกถามจะไปเลยรก็ฝึกขนาดนี้แล้วใช ดด <c oughs> พอไปขึ้นมาไปขึ้นมาแล้วเป็นปัจจัยทําให้เขามีจากทิถีหรือเปล่ <c oughs> าก็ต้องไปวนอยู่นั่นแหละแต่เนี้ยวนซ้ายวนขวาวุผ้าทหารเยอาหาะหรือคนที่สร้างบา ร, รมีนี่ไม่รับปากอะไรใครง่ายๆเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยเมือนอแล้ว <c oughs> มันเหนื่อย <c oughs> แต่ถ้าหากรับปาก <c oughs> ถ้าคนที่ <c oughs> คนที่เคยคิดแไอคิดแต่นุเคราะห์นั้นอีกอย่างนะถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นเนาะ ท้าส ก, ก่ากับพันยางตนนี่นตายไปเกิดเป็นนกกระยางแล้วก็ตามคอยเนี่ยเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะนะกลัวจะว่างงานข้างบนเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังก็ร้อเมื่อคอยอนุเคราะห์ห้าร้อยปีอ่ะกลัวจะอนุเคราะห์ภรรยาได้ห้าร้อยปีเป็นสัตว์เดรัจฉานไปที่ห้าร้อยปีเหนื่อยการอนุเคราะห์คนเหนื่อยมากอาจารย์คงจะเวลับปากคนไม่เยอะ